ลมพงมาไว้ตพีงสักตัวหนึ่งงมันกลายแต่ว่า <c oughs> นเรียกจะรุ้เลยว่า ม, มีสติดู้กายมีสติดู้คิดกายมันจะบอกคิดมันจะปอกเป็นตำลาเรื่องใหญ่แน่นยามถิ่นถิทิ้จริงอยู่ที่นี่นะ มีเศรษฐกิจมีเศษฐุกิจเนี่ยสัดที่สุดท่านท่งหลายเดียนมามากแล้วแจ่รูปไปทางนอกพระพุทธเจ้าพระสิทธาธรรมชิกเกชศาตรนะลูกเลยงารวงร้องดูที่กายที่กิจเนี่ยเราตรงนี้ยังเรียกว่าปฏิบัติธรรม ใต้คำตอบจกกาจากกิตออกให้มันได้มันจะมีหลายอย่างที่เด่นพันหน้าตัญหาอรแอยู่ที่กายที่จิตมันมีการจิตนี้เป็นรูปเป็นนามเป็นรูปนามรูปลก็เป็นรูปทําเป็นนามธรรมรูปนามู่รูปลกนามโลกกวงใหญ่ไปสมอรูปทุกนามทุก รูปสมมุตินามสมมุติรูปปัญยัติทิฏจีนอย่างไรรูปบรรญัตินามบัญญัติมันมันจะนยิ่งใหญ่กว่าศาตร์ทั้งหลายนะศาตร์ทั้งหลายาทั้งหลายนะมันไม่กระทบอะไรเล ย, เลยนะถ้าเห็นรูเปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเห็นความคิดเห็นจิตใจที่มัน เป็นเท็เป็นจริงยังไงเนะี่ยพสของพ้นตรงนี้นะมันลุกโผล่ลุกตัวดิแล้วก็แล้วตรงนี้เจร็จก็เสร็จตรงนี้นะมันบอกจนปดเทีย่ยวรูปมันบอกนา ม, มันบอกเห็นใจาต้องบอกแม่นยานะาหลายรูปที่ศึกษาเรื่องนี้เห็นใจาต้องไปจบสถาบ การสัจธรมไม่จบอะไรก็รู้ได้นะรู้นาเไม่ต้องรู้หนังสือก็รู้ได้ทุกชีวิตสากลที่สุด้สสนนี่นจร